เคสตัะไดี้วันนี้เป็นเคสที่เก้าร้อยห้าสิบส153ลูกเป็นคนหนึ่งที่หลงเชื่อสื่อสีคล้ำ ม, มาตลอดทอไปกระจาว่าไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงแต่แล้ววันหนึ่งได้มีกาลิมิตมาชวนให้ลูก มาปฏิบัติธรรม3วันที่หมู่บ้านาปฏิบัติธรรมเมื่อปรายปี 2, 5, 3, 9การมาวัดช่วงแรกลูกคิดว่าไหนไหนมาวัดแล้วจะแอบสำรวจและสังเกตทุสิ่งตรอบตัวในวัดตามติดสื่อลงข่าวจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจนถึงทุกวันนี้ลูกกลับเห็นแต่สิ่งดีๆเห็นแต่ภาพประทับใจเสมอมาโดยจึงรักวัดโดยไม่รู้ตัว ทำบุญทุกวันแล้วก็มาวัดทุกวันไม่เคยขาดเลยค่ะ<า>ทุกเช้าไปอธิษฐานจิตทิจเจดีใส่บาตรแล้วก็มารับพระที่ทานอันบารีแก้วช่วยดูแลถวายพราหารและพระภิกษุในตอนเช้าแล้วเพลยนเป็นบางวันจากนั้นก็นจะนั่งสมาธิก่อนไปทํางานเลิกงานตอนเย็นก็ไปบูชาเจดีแล้วเข้าโงเรียนฝันในฝันวิชาเป็นประจําทุกวันด้วยความสุข<า>จึงกลายเป็นความผูกพันไปแล้วค่ะ โปกกรมนักศการครูวิทยาช่วยฝันให้ฝันให้เดือดะเอ๊ะบอกว่าเข้าโรงเรียนทุกวันนะใครนั่นเนี่ยคุณแม่เป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดหัวใจเคินงร้อยคุณแม่แต่งงานกับพ่อแล้วก็มีลูกเดียวกันเก้าคนเท่านั้นแม่และพ่อรักกันมากลูกไม่<ฮ>เคยท่านทัทะเลาะกันเลยแต่แม่อยู่สั้น แลาตอนนี้แม่ป่วยหมอหาสาเหตุของขโรคไม่เจอแลัจากแม่เสียชีวิตแล้วหมอก็ได้ขอเรื่องแม่ไปชนะสูตรสัพพเอ๊ะตายด้วยโรคอะไรจึงทาให้ทราบได้ภายหลังว่าท่านเสียชีวิตด้วยโรคเนื้อ ง, งอกในสมองอขณะอายุได้เพียง39ปีเท่านั้น<อ>เห็นไหมวิบากกรรมมันบังเอาไว้ว<อ>ินิจคุณหมอไม่อาจที่จะวินิจฉัยโรคได้ทั้งทั้งที่ท่านมีภูมิมันามาก สื่อบ้ามีอาชีพเป็นครูมีปู่เป็นกำนันการบุญจะสียีว really ิตท่านมอบหมายพ่อรับหน้าที่กำนันแทนท่านพอจึงลาออกจะครูมาเป็นกำนันพอสื่อสัตย์ขยันอดทนอุทิศตนในกระทรวงรวมจึงได้รับรางวัลกำนันแหนบทองคำเป็นที่รักของลูกบ้านถึงแม้ว่าพ่อจะประสบความสำเร็จในชีวิตการงาน ต่ชีวิตส่วนตัวพ่อกลับต้องมาเจอมรสุมชีวิตเริ่มจากแม่เสียชีวิตตอนนั้นน้องคนที่กา้าคนสุดท้องอายุสองขวบลูกเขาหนๆ่ยยังเรียนหนังสืออยู่รายได้พ่อก็ไม่พอที่จะเลี้ยงดูลูกๆพ่อต้องทำงานหนักมากจนไม่มีเวลาดูแลลูกๆพ่อจึงใช้พินิพิจารณาว่าทำอย่างไรเนี่ย จะมีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระเพราะว่ามันขาดคนห <Gore> ุงข้าวจึงตัดสินใจแต่งงานใหม่เพื่อให้คนมาช่วยห <Pass 95> ุงข้าวและเลี้ยงลูกแทนท่านเออก็มีเหตุผลน่นเนาะมีเหตุผลม้วยกันไปเรื่อยเลยไปเรื่อยไปได้นี่หาคนมาช่วยหุงข้าว และกำเ น, นลิลูกโตแล้วต่าง ก, แก็แยกใจายไปทำงานส่วนพ่อก็อยู่บ้านกับแม่เลี้ยงที่ต่างจังหวัดมีอยู่ครั้งหนึ่งพ่อขับรถพาแม่เลี้ยงและญางไปงานเลี้ยงในตอนเย็นขณะขับรถมเีเด็กเล่นอยู่ข้างถนนแต่ในนั้นเด็กคนหนึ่งก็วิ่งออกมากลางถนนตัดหน้ารถเด็กขายืมรถพ่อใช้วิบากกรรมพอขับรถชนเด็กอาการสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ดันั้นพ่อก็เริ่มป่วยมีการปัสสาวะเป็นเลือดหมอตรวจพบว่ามีเนื้อร้ายที่ไตหนึ่งข้างหมอได้พ่าตัดตายข้างที่มีเนื้อร้ายออกไปให้พ่อนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล น, นานเกือบสองเดือนแล้วจงได้ชวนญาติมาจองกราธิถิวัดบ้านเกิดโดยให้พ่อเป็นประธานและกระเช้ารถของโรงพยาบาลพร้อมพยาบาลเพื่อพาพ่อไปทําบุญทอดกรถินที่วัดบ้านเกิด ถูกหลักวิชาเลยจ้ะแล้วให้น้องชายหนึ่งคนบวชให้พ่อพ่อก็มีความสุขมากจต่น้าพ่อกลับมานอนรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลต่อมาหมออนุญาตให้พ่อกลับบ้านได้พ่อสายงให้ลูกๆไปส่งบ้านต่างจังหวัดที่อยู่กับแม่เลี้ยงแต่พ่ออยู่กับแม่เลี้ยงได้ไม่นานสุขภาพพ่อแย่ลงมากจนเดินไม่ได้เพราะเราจึงพาพ่อไปหาหมอทั้งแผนปัจจุบันแผนโบราณและทำกายภาพบำบัด ออยู่กับพวกเราเกือบสองเดือนอาการพ่อดีขึ้นจนเดินได้ฉะนั้นลูกกเ็เลยพาพ่อมาทำบุญที่วัดธรรมกายคือตอนเช้าใส่บาถวายพระตาหารปล่อยปลาบูชาธรรมกายเจดีย์โดยที่พ่อก็ไม่ค่อยจะเต็มใจเท่าไรแต่ก็ไม่กล้าขัดใจลูกพออาการดีขึ้นแม่เลี้ยงกันมารับพ่อกลับไปบ้านต่างจังหวัดการกลับไปอยู่กับแม่เลี้ยงครั้งนี้อาการป่วยขยแย่ลงอีก แต่พ่อพอใจที่จะให้แม่เลี้ยงดูแลอืมเป็นความสุขสงใจระยะหลังพ่อเดินไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แม้ก็ต้องกับถายต้องป้อนข้าวแลยนะพอมีการกระวนกระวายตลอดและนอนไม่หลับช่งสุดท้ายลูกก็ได้มีการดูแลพ่อเต็มที่ทำให้ก่อนพ่อเสียชีวิตสามวันพ่อได้ทำบุญถวายสังฆทานโดยนังชาบนุบุญพระอาจารย์มารับถึงที่บ้าน ซึ่งพ่อยังมีความรู้สึกตัวดีอยู่แต่ก็พูดไม่ได้แล้วเราเองก็นั่งสมาธิแล้วก็ได้บอกให้พ่อนึกถึงพระนึกถึงบุญแล้วก็สวมดมนต์ให้พ่อฟังบางครั้งพ่อก็สวดด้วยตลอดจนเวลาสุดท้ายประมาณตีหนึ่งพ่อหายใจอ่อนลงมีเหงื่อออกทั้งตัวลูกคอยชดเหงื่อให้พ่อเรื่อยๆพ่อก็กค่อยๆอ่อนแรงลงจนกระทั่งหมดลมหมดลมไปด้วยอาการสงบ พ่อเสียชีวิตด้โรคปอดบวมเมื่อายุ86ปีสําหรับพี่เขยเป็นชาวอเมริกันได้แต่งงานกับสาวคนที่สองของลูกพี่เขยเป็นนักบินกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่พศ2485ต่อมาเมื่อเกสงครามโลกครั้งที่สองพี่เขยเป็นพลเปินของเครื่องบินบี17สังกัดฝงบินทิ้งระบบที่305 เขาปฏิบัติภารกิจทิงระเบอดอยู่สาครั้งต่อมาเครื่องมิอขอเขาถูกยิงตกที่ประเทศเยอรมนีเมื่อมกราคมพุทธศักราชสองพันสี่นั้นพี่เขยพร้อมดิตรหารที่5่าคนอรอรตายอย่างปฏิหารแต่พวกเขาถูกจับเป็นเชลยศึกโดยพวกนาซีที่ประเทศเยอรมนีโดยทางที่รัฐบาลอเมริกันและครอบครัวต่างคิดว่าเขาตายในสมรภูมิรบแล้วเพราะเขาหายสาบสูญไปแล้วก็ขาดการติดต่อ น, นานหลายเดือน ต่อมาพิเคยได้รับการปล่อยตัวให้เป็นอิสระได้กลับมาที่สหรัฐมีการอย่างปลอดภัยในเดือนพฤษภาคม2548 8หลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองยุติลงแล้วก็เกิดสงครามเกาหลีขึ้นมาอีกในปี2495พิเคยซึ่งเป็นนักเป็นอเมริกันก็ไเด็กเข้าสู่สมอรูภูมิลบครั้งนี้ด้วย mm hmm. ลบเป็นอาชีพเลย <Yeah. S 1> โอ้ สมอล์รูมิลบสมอล์รูมิเลิดไม่เคยทำให้ใครมีความสุขในอย่างแท้จริงเราน่าจะมาช่วยกันทำให้โลกนี้โลกใบนี้ดีกว่าให้เป็นที่ดีน่าอยู่สำหรับพวกเราและทุกๆคนก็เป็นความหวังและความปรารถนาของทุกคนในโลกอย่างนี้แต่เขายังไม่รู้โน้ how. ตฮาวถ้าหากว่าทุกคนในโลกนี้อัานมาปฏิบัติรม ทาสมาธิทุกวันเนี่ยแล้วก็เข้าไปถึงสิ่งที่ดีที่มีอยู่ในตัวพบความสุขภายในตกลุมรักตัวเองก็จะรักเพื่อมนุษย์ทั่วโลกทหารก็หมดความจําเป็นที่จะมีอยู่ในโลกนี้แม้ยังไม่หมดกิเลสทหารก็สา ม, มารถหมดไปได้อยู่นั่นก็กลับกลมกลองอะไรต่างๆได้ในทั่วโลกอะไรต่าง ไม่ออกไปเยืนให้เด็กตกตกใจอะไรอย่างไร้พามนก็เป็นสิ่งที่ น, น่าคิดมือสำหรับเพลงนี้นะจ๊ะนี่แต่ว่าต้องหันกลับมารักตัวเองให้ดีกับกลมกองแล้วเถอะตอมาเดือนตุลาคม25งหศูย์เขาได้รับตำแหน่งหัวหน้าหน่วยทรงกำลังบำรุงของฝูงบินบำรุงรักษาอากาศสยานที่ฐานทัพสหรัฐอเมริกา แล้วพี่เคยก็เสียอายุราชการแล้วก็ได้มาใช้ชีวิตที่สงบในช่วงบรนปลายชีวิตใช้ชีวิตได้ เ, เรคามะเร็งผิวหนังวันพารสองพันหนึ่ร้อยสามสิบเเมื่ออายุห6สปีค่ะสิบแปปีที่แล้วถ้าอยู่ตอนนี้ก็18ก็84ดสิตลูกตอนเด็กอายุหกปีลูกเป็นโรคฝีดาสิ่งถือเป็นโรคคล้ายแรงมากในยุคนั้น หนังทัว่วตัวลูกจะมีตุ่มหนองเต็มไปหมดเวลานอนก็ทรมานเพราะพอนอนบนที่นอนตุ่มหนองก็จะแตกตื่นเช้าก็มาน้ำหนองก็จะแห้งกลางติดเสื้อผ้าหรือที่นอนเต็มไปหมดเวลาดึงตัวออกจากเสื้อผ้าหรือออกจากที่นอนที่มีน้ำหนองแห้งกลางติดอยู่ดึกแล้นหนังก็จะหลุดลอกออกมาจะมีเลือดซิบซิบผสมหนองทั้งตัวเจ็บปวดทุกทรมานมากเวลานอนจึงต้องนอนบนใบตองสด แล้วถูกขี่โ ค, โคเคนเพ่ารักษาโรคไรนี้จนหายขาดในเวลาต่อมาตัวขึ้นโลกมักจะได้ยินผู้ใหญ่จะเคยเห็นสภาพที่ลูกป่วยตอนนั้นต่างบอกว่าไม่น่าเชื่อปลูกจะรอดตายมาได้ตอนนี้ลูกยังเป็นฝีมีหนอหเสียใต้ดวงตาแต่อายุหกขวบไปแล้วก็เกิดตาต้อมองอะไรไม่ค่อยชัดโอ้ <No. S 1> เวลาเป็นมากๆในดวงตาจะมีฝีบวมเหมือนสิวเม็ดใหญ่ขนาดลายนิ้วก้อย เป็นเปไหนหายมานานจนกระทังอายุสิบขวบหมอกเด็นัดให้ไปผ่าแต่ในดวงตาเพื่อเผาเชื้อออกหลังจากนั้นลูกก็หายขาดไปเลยค่ะหลังจากโลกเรียนจบแล้วก็ได้ทำงานประจบเรื่องงานขายอิสระมีเรื่องหนึ่งที่ลูกสงสัยมานานเรื่องมีอยู่ว่ามืเดือนมกราคมปี2542ตอนนั้นลูกไปสัมมนา งานขายสระที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโคราชบ้านเองวันนั้นเนี่ยลกตื่นนอนแต่ตีห้าครึ่งเตรียมพารักกิจส่วนตัวเสร็จแล้วประมาณหโมงชา้าลูกก็เดินไปทิ้ท้ายรถยนต์ส่วนตัวเพื่อเปลี่ยนรองเท้าใส่วิ่งออกกาลังกาย แต่หลังจากนั้นลู ก, กจำอะไรไม่ได้อีกเลยจนกระทั่ง4โมงเย็นของวันนั้น6โมงเช้า4โมงเย็นแต่เพืพ่อนๆที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างล่าลูกฟังว่าหลังจากที่ลูกไปออกกำลังกายมาแล้วขณะที่เดินมานีห้องอาหารรองเท้าผ้าใบาเปียกน้ำแล้วก็มีเสษต้นยาติดรองเท้าเต็ไมไปหมดแววตาไม่เหมือนเดิมสมมติเราเป็นปกติดีๆอยู่ๆก็เกิดสภาพบางอยไม่ศบตาใคร บุคลิกเปลี่ยนไปน้ำเสียงที่พูดก็เปลี่ยนไปอุจารแปลกๆแม้แต่อาหารก็ทานเยอะผิดปกติแผนยังตักอาหารเช้าเป็นข้าวกระเพราไข่ดาวที่ลูกไม่ชอบเลยมากินอีกด้วยทุกคนต่างรู้จักที่รู้จักต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าผีข้าวยังไม่ถึงขนาด บอกก่อนหน้านี้ประโยคนึงน uh> ี่ไ oh. ม uh uh> ่ใช่ต uh> uh> ัวลูกเพื่อนเพื่อนยังให้ลูกกลับบ้านเพราะนั้นลูกขับรถมาถึงบ้านเออขับได้ยังไงนี่ยังวัตถุมุตสาคอเดิไปเพื่อนนั่งบอกทางมาโดยตลอดอคือยังขับได้แต่บอกทางเออเป็นแปลกดีนะไปถึงบ้านลูกก็นอนหลับแบบเคลิบเคลิบบางครั้งมีความรู้สึกตัวขึ้นมาบ้างแบบเบลอ เป็นอย่างดดนี้แล้วขับรถได้นะกระทั่งเวลาสี่โมงเยน็นลูกหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมายังงงว่าทำไมาจึงกลับมาที่บ้านสมุทรสาครทั้งทั้นี้ยังไม่ได้เข้าสัมมนาทเทมเพอปากช่องเลยแต่ว่าเมื่อฟังเรื่องราวจากเพื่อนเพื่อนลูกก็งงเขาไปอีกว่าไม่รู้ตัวได้ยังไงไอ้แล้วทําไมลูกจําอะไรไม่ได้ในช่วงเวลาที่ยาวนานถึงสิบชั่วโมง อีกสองสามันอมาลูกจึงตัดสินใจไปตรวจเช็กว่าสมองเราเป็นอะไรหรือเปล่าลหมอตรวจเช็กสมองและตัวสุขภาพแล้วบอกว่าสุขภาพแข็งแรงไม่มีอะไรผิดปกติเราจะนั้นมาลูกก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์ประหลาดอย่างนี้อีกเลย <c oughs> ถ้ายังสงสัยก็ลองอีกสักครั้งหรือว่าหายสงสัยแล้ว <c oughs> คำถาม แม่ลูกตอนนี้ป่วยหมอหาเสียงโรคไม่พบมารู้ว่าเป็นโรคเนื้อเงาในสมองก็ตอนที่เสียชีวิตแล้วเป็นเพราะวิบากกรรมใดแล้วทำไมต้องเป็นโรคนี้แม่ตายแล้วไปไหนได้รับบนเ ท, ที่วที่ไปให้หรือไม่อิสภาอผเป็นอย่างไรมีอะไรฝากบอกลูกบ้างไหมคะเด็กที่ถูกพ่อขับรถชนจนเสียชีวิตนั้น เป็นกรรมเก่าของเด็กหรือเป็นกรรมใหม่ของพ่อหรือเพราะผูกเวรกันมาคะโอ้โหถามได้รัดกุมเดเดโปรแกรมใดใดพ่อเป็นโรคมะเร็งปอดก่อนตายพ่อนึกถึงบุญที่ทําไว้ได้หรือเปล่าพอตายแล้วเปไน็นไงมีอะไรจะบอกอลูกบ้างไหมคะทุกบุญที่ลูกทําให้พ่อเช่นสร้างพระประจําตัวกรถินบูชาข้าพระบุญสังฆทานสามหมื่นวัดหล่อหลวงปู่สังขามและบุญทุกบุญ พอได้รับผลบนแล้วเป็นอย่างไรบ้างในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอและสงครามเกาหลีพี่เขยเป็นนักบินกองทัพอเมริกันปฏิบัติภารกิจทิ้งระเบิดอยู่หลายครั้งทําให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินมากมายพี่เคยรละทหารที่ทิ้งระเบิดจะได้รับวิบากกรรมนี้เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรเออผลปืนกับ นักบินบต่างกันหรือยาวนานแค่ไหนวิบากคำนี้ยิงจะหมดนี่ทหารพึงตั้งใจฟังเนาะนี่แม้ว่าไม่ได้เป็นนักบินก็ตามทหารกองทัพธรรมรบุพกรรมใดทำให้พี่เคยเป็นโรคมะเร็งผิวหนัง พี่เคยตายแล้วไปไหนมีความไม่อยู่อย่างไรที่ลูกสร้างองค์พระให้พีเ่เขยและบุญทุกบุญที่ลูกทาพี่เขยได้รับบุญแล้วเป็นอย่างไรบ้างอุปกรรมใดลูกจะเป็นเล่าฝีดาที่มีตุ่มหนองเต็ไมไปหมดทุกทรมานมากคงเป็นบททดสอบมั้งแล้วทำไมลูกจะเป็นฝีมีหนองอักเสบใต้ดวงตาจนเกิดตาต้อ เป็นพระประสงค์ก็ประสงค์รายอะ่นี้เป็นตัดตอหมอเม่ก็เห็นเป็นเวลาหลายปีแต่เมื่อหมอผ่าตัดเอาเาชื้อออกลูกกลับหายขาดได้เป็นเพราะเหตุใดเมื่อปีพศ2543เป็นแต่เวลา6โมงเช้าแลังจนั้นทุกคนตามบอกว่าลูกเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจนถึง4โมงเย็นเพราะนั้นลูกจำอะไรไม่ได้เลยตลอด10ชั่วโมงเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะเหตุใด เนี่ยครูไม่อยากจะเจอไอ้ตัอย่างเงี้ยคือเจ้าตัวยังไม่รู้เลราจะเกิดอะไรแล้วใครก็ยังไม่รู้ดิแล้วเป็นการแรงของลูกให้ตังเป็นอย่างนี้คะ่ะลูกเป็นกระไรเวียดเทพี่น้องเสมอ ม, มาแล้วพวกเขาเคยสร้างเรื่องกับหมู่คณะมาอย่างไรมากน้อยแค่ไหนทําอย่างไรพวกเขาจึงจะรักวัดรักหมู่คณะเหมือนลูกฮะก็ทําแบบลูกเขาก็จะเป็นแบบลูกแหละตอนลูกและน้องคนงหนึ่งที่ทํางานบริษัทเดียวกันในอดีต เราเป็ ญ, ญาติกันมาหรือเปล่าทำไมจึงได้มาสร้างบารมีด้วยกันด้วยความเข้าใจเราทั้งสองเคยสร้างบารมีร่วมกันมาอย่างไรพุทธนานกรลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรมีหน้าที่อะไรในหมูค่คณะลูกอยากเจอหมู่คณะตั้งแต่ยังเยาว์วัยลูกต้องประกอบเหตุอย่างไรบ้างคะแล้วลูกจะมีกายกระตือมุตธรรมกายกับเขาบ้างหรือไม่คะจำ เรื่องราวและคำถามได้ัหมจ๊ ะ, จะได้ลาบตาฝันเป็นดวงตาเติ่นขึ้นม า, ท, านทีแล้วก็นำมาไล่ฟังมินิยายปารามปรากัจระแม่ของลูกตอนป่วยหมอหาสาเหตุไม่เจอมารู้ว่าเป็นเนื้อ ง, งอกในสมองตอนตายเพราะแก๊นในดีแม่เคยเป็นแม่ค้าขายปลาทำไมไม่ปล่อยปลาเนาะ ไปจับปลามาได้ก็จะเอาเหล็กแหลมๆทิ่มไปที่หัวปลาเพื่อทำลายประสาทแต่ก็ไม่ให้มันตายนะมันมันจะได้ไม่ดิ้นไปไหนมันอยู่อย่างนั้นนะถึงเวลาขายจะได้ขายได้มาส่งผลจ้ะื่อกรรยังหนักอยู่วิบากคำนี้ก็บรบังทําให้หมอหาสาเหตุไม่เจอจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นพ ม, มิปธิวาระดับทั่วไปในหมู่บ้านพ ม, มิิวารแห่งหนึ่ง ต่อมาเมื่อได้รับบุญที่อุที่ไปให้ก็ทำให้มีสภาพดีขึ้นในทุกด้านจะมีอาหารทิพ์เสื้อผ้าที่อยู่ของตนเองขนาดกลา ง, ลางหน้าตาเป็นสาวแล้วก็สวยขึ้นดีใจที่รู้ที่บุญไปให้โดยเฉพาะช่วงหลังๆนี้นะจ๊ะเ <c oughs> ด็กที่ถูกพ่อขับรถชนจนตายเพราะผูกเวงกันมาโดยไม่รู้ตัวอ่าผูกเวงกันมาแบบไม่รู้ตัวนี่นักเรียนวยบ้านฝันในฝันยาต้องศึกษาแล้วละ เรื่องมีอยู่ว่าในชาตินั้นพ่อพ่อเกิดเป็นไก่ชนพ่อมาจากไก่พ่อเกิดเป็นไก่ช น, าากก น, ชนส่วนตัวเด็กคนนั้นได้เกิดเป็นเจ้าของไก่เจ้าของไก่ชนตัวนั้นวันหนึ่งได้เกิดชนไก่แล้วแพ้แต่ความกรธจึงจับขาไก่และฟาด ก, กับเสาจนไก่ตายไก่จึนั้นก็ผูกลใจโกรธว่า เลี้ยงเราไว้ชนเล่นพ น, นันเราก็ชนะมาตลอดแค่วันนี้เราสู้ไม่ได้เท่านั้นน่ชนแพ้แค่ครั้งเดียวเนี่ยยังมาจับเราฟากระสาวตายไก่ชนจังผูกโรกรธพอเราจะต้องแก้แค้นแทนบ้างหมเวียนว่ายแต่เกิดมาเจอกันในชาตินี้เกิดเป็นคนเดียวกันนั่งคู่การบานาธิบาตของเด็กกับกรรมผูกเวงของพ่อ ตอนเป็นไก่จิงหนึงโดดให้มาเจอกันแล้วก็เกิดเหตุการณ์พ่อกับรถชนเด็กตายทังกล่าวใช่ไก่หรือสัตว์ทั้งหลายก็คืออดีตมนุษย์ที่เดินในชีวิตผิดลาดมีรูปวิบัติเป็นรูปไก่หรือสัตว์ทั้งหลายมันก็มีความรู้สึกนึกคิดคล้คลายๆมนุษย์แต่พูดภาษามนุษย์ไม่ได้แต่ผู้ใ ด, ด้ไปตกใจก็นละกันหละนี่นพูดไปได้แล้วก็นึกกับมัน พูดไปไหนเราก็โมเมเองโอ้โหนี่ไม่ไก่นี่นี่ไม่เกิดมาเพื่อมาเป็นอาหารของเรานี่ยก่อนฆ่าเราต้องสวดสวดก่อนฆ่าไม่ใช่ฆ่าแล้วสวดนะ ส, สวดก่อนเพื่อส่งใบน้ําตามก็ไหลเปล่าทั้งวัวทั้งไก่อะไรต่างๆนั้นก็บอกมันดีใจคือคนมันจะกินทุกอย่างเขจะโมเมแบบดีใจและไก่ก็จะไปอยู่บนสวรรค์จะไปได้ยังไงนะ ตัวเองยังไม่รู้สวรรค์อยู่ตรงไหนเนี่ยก็กวานไปเรื่อยๆนี่เห็นไหมจ๊ะต้องศึกษาพ่อเป็นเลามะเร็งปอดเพราะการบานาธิบายหลายๆอย่างแน่ดีแต่ใช้แรงงานสัตว์มากเกินไปงุบงิบเงินราชการนี่งุบงิบเงินจะถ้าเป็นมะเร็งที่ไตนี่การงุบงิบเงินจะเป็นโรคไตมะเร็งที่ไตและกระลาเปส่วนต่างๆที่ปอด แต่ว่าก่อนตายนึกถึงบุญที่ทั้งทำด้วยตัวเองและทำให้ท่านได้ถึงทำให้ท่านละโลกแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟสสามจ้ า, าได้รับบุญที่อดทิพไปให้แล้วทุกบุญเลยก็ยิ่งทำให้มีทิพ ย, ยสมบัติเพิ่มขึ้นท่านฝากอนุโมทนาขอบคุณและฝากบอกว่าท่านทุกสบายดีหน้าตาทัา้งยิ้มแย้มแจ่มใสนี่กำนันแหนบทองคบ ในสงครามโลกครั้งที่สองในสงครามเกาหลีพี่เคยเป็นนักบินอเมริกันปฏิบัติภารกิจทิ้งระเบิดอยู่หลายครั้งโอ้ทําให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินมากมายแต่แล้วพี่เคยที่ทิ้งระเบิดจะได้รับวิบากกรรมเหมือนกันเพราะทําร่วมกัน<อ>ต่างกรรมต่างวาระคือจะทําให้ไปอยู่ในมหานรกอันยาวนานทุกทรมานมาก พระพมาหารนรกแล้วก็จะมาตามขั้นตอนของบายคืออุสุธาณรกมาเป็นเปรตสุรกายมาเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็มาเป็นมนุษย์แต่ว่าแต่ละคนนี่ผิดศีลหลายข้อนะอนี่ทําข้อนี้ก่อนเข้าไปมาหาณรกขุมนี้ก่อนแต่หมดคำนี้ถ้าหากว่าอีกกรรมหนึ่งมาส่งผลตอนนั้นบุญไม่ทิงช่วงลงไปอีกขุมนึงนะ ลงไปเรื่อยๆเลยนี่กระทั่งมาเป็นมนุษย์ก็จะมีอายุสั้นมีโรคมากทรัพย์สินก็จะวิบัติด้วยภัยต่างๆเป็นต้นอย่าแต่ถ้าไม่ฆ่าทำให้ตกใจเนี่ยตก อ, อกตกใจนี่ก็มีผลเหมือนกันนะแค่ทำให้ตก อ, อกตกใจเนี่ยคนดีๆก็ตก อ, อกตกใจเอ๊ยทำไมถึงอย่างนี้นะแต่ก็ไม่ได้ฆ่าเขาลรนะแค่มาเดินเล่นอะไรสมุนี ตกโอลตกใจอะไรต่างๆนี้มีผลนะก็มีวิบากนี่ก็จะเป็นคนให้สะดุ้ง่อยบรูตกใจเลยสะดุ้งภาวะบลูเรๆจะมีเหตุการณ์ทำให้หยองเลยบแต่ถ้าป้องกันพระที่ภาคใต้อย่างนั้นอาจอย่างนี้ไปดีถือว่าปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยชีวิตเป็นปรมาธบรมี อาแต่อย่างงี้ดีอย่างงี้ดีมากเลยทหารที่ไปภาคใต้นี่ครูวิใหญ่ชื่นชมมากนะ <รา S 1> ส่ับสนิมเลยเดียวเอาชีวิตปกป้องพระศาสนาเนี่ยเ <รา S 1> พระเาะฉะนั้นเนี่ยทุกภาคก็ควรจะทําอย่างนั้นนะ <รา S 1> ปกป้องพุศาสนาพระ <า S 1> <รา S 2> บินต บ, บารหรือวัดไหนก็ต้องปกป้อง <รา S 1> นี่ถ้าเกิดภัยพิบัติอย่างนั้นแต่ว่าพระพธรรมกายตอนนี้ปลอดภัยไม่มีอะไระไม่จําเป็นไม <รา S 1> ่จําเป็น ถ้าเหมือนอย่างภาคต่างก็โอเคแต่ว่าําต่ากายเหตุการณ์ปกติกตรีบรตอนนี้เพอร์เฟก e ์เพ<บ>อร์เฟเพอร์เฟเริ่ ม, มจบนะไม่ต้องมา <c oughs> อ, มอยู่บ้านเถอะอยู่บ้านช่องจะม่เหนื่อยเลยพี่เคยเป็นเรามาเร็งผิวหนังพราะการมาาธิบาติในอดีตได้เป็นทหาร อดีตก็เป็นทหารเลยชาตินี้ก็เป็นทหา ร, ลาหารแล้วก็ไปเผาค่ายค่าศึกทําให้ทหารค่าศึกถูกไฟครอบตาย oh. ในอดีตนะกับกรรารปณฏิบาตินี่เพิ่งเคยมายกๆนะ mm. กับกรรารปฏิบาติในปัจจุบันที่เป็นทหาร <Yeah. S 1> ในิสัยเก่า oh. แล้วก็ทิ้งระเบิดทําให้คนตายทรัพย์สินเสียหายมากมายมาส่งผล oh. ตายแล้วก็ดําดิ่งไปเลยจ้าทหานรกขุมหนึ่ง oh. ก่อนที่จะไปขุมอื่นๆด้วยกรรารปฏิบาติดังกล่าว ไปขุมนี้ก่อนกําลังโดนนายนริบาลอัคกบองเหล็กที่มีไฟสีดํำร้อนลุกโชนช่วงกระทุ้งกระแทกในร่างกายแหลกแล้วแป๋ว oh. สลากกมีลูกไฟสีดําร้อนหล่นลงมาทับเผาไหม้ mm hmm. ตายเกิดนับครั้งไม่ท้วนทุกทรมานมาก oh. ถ้าเป็นมนุษย์ตายครั้งเดียวเธอทีเดียวสมมุติโดนยิงตายโป้งตายทีเดียว <Okay. S 1> แต่นั่นตายแล้วเกิดมาโป้งใหม่ เกิดมาโป้งใหม่และชินไหมตายอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าคุณเพราะโดนมาหลายล้านครั้งเนี่ยมันน่าจะชินลกครั้งมั้งออไม่ชินเลยเราเอาลองเอาเราไม่ต้องไปทำอะไรอย่างงี้นะเอาคอรมาทุบนิ้วเราเนี่ยนะหรือนิ้วเท้าเนะี่โป้งทุบบันจันทีอัง <laughs> <laughs> คารอีกทีงโป้ง เพื่อจะให้มันชินดูที่เราจะชินมันไหน oh. ทุบไปเรื่อยๆเลย oh. ในมหาณนกหนักกว่าท่านเยอะแยะ oh. นี่แล้วก็ไม่อาจจะรับบุญได้แต่บุญที่อุทิศไปให้กับไปคอยอยู่ที่ยมนโลกจะตัวโลกไนรลกฝีดาที่มีตมหนองเต็ไมไปหมดทุกทรมานมากเพราะการมาปฏิบัตินีดีที่เคยฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยทำอาหารประดับกรรมที่เคยเป็นข้าราชการได้มีวิจิกรรม แกล้งใส่ความเพื่อนออร่วมงานและมักมองด้วยสายตาที่หมันไสอิจฉาลิศยาเพื่อนออร่วมงานนํำมาส่งผลจ้ะ oh. เป็นฝีน้องเสียบใต้ดวงตาจนทาให้ตาเป็นต้อมองไม่ก็เห็นเป็นเวลาหลายปีเพราะวิบากกรรมนังกล่าวแต่ภหลังก็กลับเนื้อกลับตัวเพราะมาเจอโมอคณะได้ทำบุญตีติคนเหล่านั้น บ, บ่อยๆจึงทําให้หายได้ในภายหลังจ้ะ oh. มาปีสองสี่สามตั้งแต่เวลาหกโมงเช้า หังนั้นทุกคนบอกว่าตัวลูกเปลี่ยนไปเป็นคนละคนในทั้ง4โมงเย็นใ น, นลูกจําอะไรที่ไม่ได้เลย10ชั่วโมงเพราะมีกายละเอียดที่เป็นภูมทิทวาระดับล่างอยู่แถวนั้นเคยเป็นคู่เวงกันมาในอดีตจึงมาเข้าร่างได้ได้มาเข้าร่างแล้วก็เข้าร่างได้เพราะกรรมผูกเวงกันมาโดย ได้เป็นเพื่อนอร่วมงานคนหนึ่งในหลายคนที่เราเคยไปแกล้งเขาไว้ในชาติอดีตได้มาเจอกันภายหลังจากต่างเวียนว่ายแต่เกิดเป็ น, นโน่นเป็นนี่เป็นอะไรต่างๆมาเมื่อโคตรจอมาเจอกันในชาตินี้จึงคิดแกล้งบ้างมาเข้าร่างที่เข้าร่างได้เพราะมีเวรผูกกันมาจาก<อ>เคยไปแกล้งเขาก่อนนี่ไมจ่จช่<อ>พี่น้องลูกเคยสร้างพปฐมมีกบขนะมาแบบกองสวี้ยง บางคนที่เคยสร้างมาบ้างบางบางคนก็ น, น้อยบ้างถึงท้ายมีศรัทธาต่อโมณนะไม่เท่ากันดังนั้นตัวลูกต้องเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีเป็นกัลยาณมิตรไอ้เขาที่ฟังทำปฏิบัติทำบ่อยๆก็จะทําให้เขาเข้าใจค่อยๆเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและเกิดก็สนศรัทธาชน่นเดกับตัวลูกแต่ลูกก็ต้องอดทนและเยือกเย็นนะจ๊ะตัวลูกและน้นที่บริษสาคนหนึ่งหลายชาติก็เคยเป็นพี่น้องกันมาเคยเป็นกัลายาณมิตรกันมาและเคยเกือ้อกูลกันมา ดังนันมื่อาเจอกันในชาตินี้จึงถูกชะตากันและได้ชวนกันมาสร้างบารมีด้วยความเข้าใจด้วยกันจ้าพุทธนานทิพา์มาตุลูกเคยเป็นกองสเสบียงของหมู่คณะมาโดยเป็นคนระบทและรับราชการดังกล่าวฝ่ายพลเรือน mm hmm. นี่เป็นพลเรือนต่อมาเมื่อเจอบุคคลนั้นจึงได้มาสร้างบารมีและได้ออกบทช่วงสั้นตอนแก่ mm hmm. และอธิถามว่าเขาได้ประพฤติพรหมจรรย์ในชาติต่อไปเพราะเบื่อหน่ายในการคลองเรือน แต่กรรมก า, กาเมจะชูกก็ทําให้มาเป็นผู้หญิงแต่ยินดีในการครองความเป็นโสดตามคำมติษฐานเจ้า <c oughs> ลูกอยากเจอหมวกด้า น, นตั้งแต่ยังเยาว์วัย <c oughs> ก็ให้มันตั้งสมบุญทุกบุญและวติทานจิตทุกวั น, วนย้ายขาดเลยก็สามารถเป็นไปได้เจ้า <c oughs> ชาเดย์มีความเพียรสม่ําเส ม, มออย่างถูกหลักวิชาก็สามารถเข้าถึงธรรมกายได้ <c oughs> ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญ แล้วติฐานจิตตามติวิญญาสิบปีบำมุงวิเศษ mm hmm. เขตบ ร, รามโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้าสาธุนี่กับเป็นเรื่องราวของแคงสต์ ด, ดี้สั้นๆ ส, สำหรับคืนนี้